หัวข้อทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจความจริงเกี่ยวกับวิธีดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นชไหนคือมากมีองค์แปดอันประเสริฐได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิก็สัมมาทิฏฐิเป็นไนความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสัมมุทยัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคคาไินีปฏิปทาอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไนความดํมฤตในการออกจากกามความดําริในความไม่พยาบาทความดํมฤตในอันไม่เบียดเบียน อันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นไนกะารงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดง ด, งดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออันนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมารกรรมมันตะเป็นไนกะารงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในการม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 เพื่อมีให้อกุศลธรรมอัลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อลักอกุศลธรรมอัลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ไม่เลื่อนหายเจริญยิ่งภัยบูรณ์มีขึ้นเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วอันนี้เรียกว่าสัมมาวายมะสัมมาสติเป็นไนะภิกษุในธรรมวินัยนี้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 บรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกพุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เธอมีอุเบกขามีสติมีสัมปัชญะเวยสุขด้วยกายเพราะปีติสิ้นไป บรรลุตัติยะฌานที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอบรรลุจตุตตะฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ระดับโสมนัตโทมนัตก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่อันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิ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 และไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แหลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมได้แก่นิวรณ์ห้าอุปาทานคันห้าอายตนะหกพชงเจ็ดและอริยสัจสี่อยู่เสมอ